คนนั่งก็พูดง่ายบางคนก็พูดง่ายบางคนก็เข้าใจง่ายๆว่าบางคนก็บน่นอยากเข้าใจเ น, นี่ยหลักลักษณะของคนเป็บุคลิกันขางจริงเห็นได้ด้วยสายตาของง่ายๆบางคนสูงบางคนต่้มบางคนก็ดำบางคนก็ขาวเป็นอย่างนี้หน้าตาแขงขาอันนั้นเคือการมีคือกา ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนี่ก็คือกันบางคนก็ว่านะักบางคนก็ว่าง่ายบางคนก็ดีบางคนก็เร็วบางนบางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนเนื่นเพราะว่าลักษณะจิตใจมัคือกันคนเขาแต่ว่าให้รู้จักคนจริงๆแล้วก็ให้รู้จักคุณค่าของคนจริงๆคนที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องธรรมชาสตร์ เกกับคนมันก็ต้องเป็นลูกคนมันก็ต้องเป็นคนแต่จิตใจนั้นเลวตางู้จักรู้จักคนไม่นานเลว่าคนเราเกิดขึ้นมาต้องรู้จักว่าความเป็นคนรู้จักคนเป็นคนอะให้รู้จักหน้าที่ของคนรู้จักหน้าที่ของคนก็รู้จักขลุบรู้จักขลุบคนรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักบุญคุณของตัวเราก่อน ตัวเราเป็นคนก็ต้อรู้จักบุญคุณของตัวเราต่อนเมื่อเราไม่รู้จักบุญคุณก็ไ่รู้จักตัวเราเมื่อรู้จักตัวเราก็รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เมื่อรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่แล้วก็ตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่ตัวนี้เมื่อรู้จักตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่แล้วมันก็รู้จักบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อคุณจะาฟ้ามหากาศัตรีติวาไปไดังนั้น เราเกิดในเมืองไทยเป็นคนไทยเป็นาชาติไทยสันทารไทยประเทศชาต บ, บ้านเมือยเป็นสิ่งเรู้จักหน่คุณเขารู้จักตอบแทนกันที่ว่าเป็นคนบันนี้เราเกิดมามีาชาสนาคนบางคนก็มาหมวดเป็นเมนเป็นพาพบางคนก็เข้าวัดยำงศิลนรักษาศิล์ให้ฐานกันมา ให้รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าถ้าหากเราบู่รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าเราก็บ่ได้ตอบแทนคุณของพระพุเจ้าถ้าเราไ่รู้จักบุญคุณของเราคนมันก็ไ่รู้จักรู้จักบุญคุณของเราที่นี่ก่อนคนมันไม่ใช่สวยใส่งามยนอนแข้งขาหน้าตามือเท้ามีนงแต่แข้งขาหน้าตามือเท้านางงามก็นี้ม้วนงามคนนี้คนเอาจิตใจ ใจดีจิตใจงามคนนี้ก็ยอมีคนบางคนนะั้หน้าตาแข้งขากงามสดสวยดีแต่จิตใจเลวสามกุญแจนี่เป็จะหงหาะทจักคนการเบื้องคนเราต้องดูคนให้เห็นผลให้รูจจ้จักค้นคนไว้ก่บจะ่าเขามาบวชเป็นเนมเป็นพระนี่มาจังสินมาปฏิบัติธรรมต้องรู้จักคนนี่ต้องรู้จั ก, ร, จกรู้จักคน แล้วก็รู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติตัวของตัวนะให้เป็นคนคนนะ้ะจึงเลือกคัดจัดเอาได้ถ้าหากเลือกเอาโบได้จัดเอาโบได้บบดสมมติแคนบ่ค น, นคนที่ใจยังเลือกเอาโบได้ทีเนี้อย่ารู้จักดีรู้จักซั่วด้คันรู้จักจะดีอันเดียวกขบวนเนรู้จักจะชัวอันเดียวกขบวนเนี้ยเพื่อนจัดให้รู้จักทั้งดีและชั้งซัวพอแม่ครูบาอาจารย์เป็นว่าเขาตื่นมา เอาไปหั่นมานี่ให้เหลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังเหลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้มันเป็นคําพูดเหลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังก็เลียวไปข้างหน้าเหลียวบนข้างหลังเลียวซ้ายเลี้ยวขวาก็เหลี้ยวเบื้องตัวเขาเหลี้ยวบนตักบนตเขาเป็นลายกาจวนเลี้ยวซ้ายเลียวขวาเลียวหน้าเหลียวหลังเลี้ยวไปเบื้องหลังเขาทําดีมาแล้วหรือทําชั่วมาแล้วเขาจึงรู้จักว่าเราเหลียวหลังเขาเกิดมาเนี่ยเราให้เงาแดงรู้จัก เดี่ยไปทางหน้านี่ยก็มีแต่มองไปทางหน้าเป็นยากเลยดีว่ได้เห็นขุมตัวของเขาว่าได้เห็นคนมผิดของ เ, าาเนนขงเาเขาก็เลยรู้วจากผมว่ได้แก้ปัญหาเรียกท่ายเลียวขวนเรียกเบิ้งคนกําลังมีอยู่เป็นอู่กาลังเราเห็ุเราทําอยู่มันทําผิดทั้งูกทำถึงตัวเราจะได้รู้จกักมันเรียกทายว่าเรียกเบื้องโตแล้วรู้ว่าจักแล้วก็เป็นคนเลือกทำอะไที่มันดี ที่เป็นบุดีกับบุธรมเป็นเื้อค้นอะไรแล้วก็รู้จักควมเป็นค้นรู้จักหน้าที่ของค้นรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของค้นไม่รู้จักแล้วปฏบติตแทนตัวเราตัวเรานี้ต่อแทนตัวเราได้บุเส้นที่บุตรเส้นที่เทวดาบุตรเสมนี่อยางมาให้ได้เหงี่อของที่ตัวเันนี้ไม่รู้จักสกัดรู้จักมือของพ่อของแม่ของอายของน้องของหมู่ของเพื่อนพ่อแม่นี้ หลักลูกคนไหงเมื่อกับลูกตาสมมติเอาทีคือมีลูกผู้เดียวหน่อแม่สองคนมีตาที่ตาลูกผู้เดียวมีตาสองตาเกิดขึ้นมาตาบอดโอ้ลูกเจ้าเนี่ยคันท่ามีตามาใส่ของตาในกิจได้เป็นเจ้ความหากันแต่ที่ดีที่งามเนี่ยพอแม่เนี่ยตัวตาให้ลูกเอาตาพ่อตาหนึ่งเอาตาแม่ตาหนึ่งซ่ามือนใส่ตาลูกสองตา พ่อแม่ก็ต้องมีตาเดียวกันนี่สิเพราะรักลูกอยากให้ลูกดีแต่ลูกนี่เกิดมาบางคนพ่อแม่สอนบดาเป็นอยไรบางคนฟังเนึกหาว่าพ่อแม่บวกักโบ่แทงตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดแน่อันนี้บ้ใส่ขนแน่ดูไม่ขนเถแต่คนรู้แต่บ้ใส่ขนรู้จักเขาลงมาถพ่อแม่พ่อแม่นี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็ก ส่วนเา้าส่วนแจนจกจะตายจากกันไปหมดเลยแล้วตายแล้วคุณยังจะไปให้บุญหาพ่อหาแม่อันเมื่ อ, อยังเป็นเป็นอยู่ในบุ่นรู้จักคขล บ, บรู้จัก น, นับถือเนี่ยอันนี้บุตรเนี่ยคนเด้งแต่ว่าก็เป็นคนก็จริงบุตรเนี่รู้จักคารบนับถือจะเด้งเนี่ยเป็นวาย่างก็นเด็กต้องรู้จักคนเมื่อรู้จักคารบนับถือพอแม่ก่ะรู้จักคารบนับถือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดแนะนําให้ผมรู้ผมเห็นผมสลด ทำอิทนี่เราคิดสั่งตะกอนที่บรู้จักกุลตะกอนเพราะงั้นคนสมัยนี้จริงๆผมค่อยรู้จักกุลกุณรู้จักคุณค่าของตนเป็นคนรู้จักยุแต่หากว่ารู้แต่ว่าบริบัติปฏิบัติอันนี้เอามาเล่าสู่ฟังชาวคนต้องรู้จักขาร่มระือเขาร่มระถือตัวเฮาพี่แหละบรแมเขารเมระถือพ่อแม่ไมีย่ยหรเขาทําหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่เป็นสั่งขาร่มพ่อแม่เขาที่ซื้อเนี่ย ขารบเคลื่อนขูดเขาได้ขึ้นไปได้มีคนเริ่มนึกจักเราผมเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองมาเมื่อรู้จักการแสดงออกของคนรู้จักขัดเบื้องต่อได้บัด น, นี้รู้จักบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเขาเนี่ยมันมันมีเจ้ามีนายรู้ผู้เดียวบ่ได้แล้วก็มีป้ามีน้ํา ถ้าหาเขาบูรู้จักทางการบูรษกับบูรษคนีกทีหนึงรู้จักบุญคุณของประเทศชาตร์บ้านเมืองเราบูรู้จักเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมว่ารู้จักน้อยรู้จักแตอยากได้เงินอยากได้ซื้ออยากได้เสี่ยงอยากได้เกียรตอยากได้ยศนี่อันซื้อเสี่ยงเกี ย, ยดตยศ น, น, นั่นดีแล้วอันเงินทองนั่นได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าหาบูรู้จักไปแล้วก็ตัดไม่ในป่ามืดแห้งเลย น, น้ำกระวมี กึดนะครับนี่แสดงว่าบมรู้จักประเทศศาสตร์บ้านเมืองมี้ยยังรู้จักคขบลกฎหมายมี้ยังกฎหมายบอกไวแล้วยังบุครลบุญภิญจะแสดงว่าเป็นคนบุญแดงคนจิตแสดงว่ารักศาสตร์รักศาสนารักพระมะประการย์บแมงวาสุสุคนรักศาสตรรักศาสนารักพรรมะประการรักประเทศศาสตรบ้านเมืองของเราจ้องรู้จักเนี่ยกฎหมายว่าจังไหน เขาเหตุยังไงเขาก็ต้องรู้จักเขาลบสิ่งนี้เสียภาษีอากรยังไงเราก็ต้องรู้จักสิงนี้เพราะหน้าที่มันมีอย่าง น, นั้นอันนี้ เ, นเขาโบรู้จัก ก, กันมีแต่เอารัดเอากียดกันมีแต่ควิดอิสระลิสัญญากันยืแยงแทงดีกันก็เลยเดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนแล้วบเดือดร้อนจะเหาได้เดือดร้อนผู้อื่นคนนี้บ้างันนี้คนเนี่ย มันจึงบรรูุ้จักจริยธรรมให้สังคมนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะคุณค่าของคนบ่ามีคุณค่าของธรรมะบ่มีในใจให้ได้ไปนักแต่สวยแต่งามนกักแต่เงินแต่ทองนักแต่ซื้อเตเสี่ยนนักแต่เกลียดแต่ยศเล็กว่าได้คิดถึงว่าเราทํานี่มันถูกขบ่มันผิดบ่บอกว่ได้เบื่อไม่เป็นอะไรริงคนนี้มันบุข้าใจ เมื่อบราเข้าใจกระทําผิดพูดผิดคิดผิดนําความสับสนวุ่นวายควมเดือดร้อนมาให้ตัวเราเมื่อมีความสับสนวุ่นวายควาเดือดร้อนมาให้ตัวเราเรียการขัดแย้งตัวเขาก็ดีแล้วมันมีขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจอะคุนี้เฮ็้จังสั้นดีให้จังชี้นชัวเขาบุ้รู้จักเขาเฮตได้ดีซื่อๆเดี๋ยวนี้เขาบุ้รู้จักตัวอันนี้เป็นนว่าคนมูรู้จักประเทศชาติบ้านเนื้อรู้จักคุณค่าของประเทศชาติบ้านเนื้อ รู้จักคุณค่าของพระความมหากษัรย์รู้จักคนรถนักถือนไม่ว่าจะไปวาอยอันนี้กระบุไม่คนกันเลยคนมันต้องรู้จักจึงว่าคนบูคือกันพอเดียวแม่เดียวกับบูคือกันเหาอเหตุ้วยต่างบางคนก็ดีบางคนก็บดีบางคนก็วา ย, ยากบางคนก็ว่าง่ายนะครับบางคนก็สลาบนี่บูคือกันที่ว่าคุณค่าของบุมันจึงว่ามีบุญ อยากให้หัวักศึกษาตัวของจริงๆวันนี้คุณค่าของพระพุทธเจ้าเหตุให้เจ้าไหนเราคิได้ตอบบุญแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคนนี้คนอินเดียเนี่พระพุทธเจ้าว่าเส้นขไทยที่ขันถ้าเรารู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าเร า, าก็ต้องเคารพพระพุทธเจ้าจาริงวะพระพุทธเจ้าสอนอย่างเด็ด่ยสอนให้หัวใจตัวเราสอนใหู้้จใกว่า พ่อเราแม่เราโซนนั้นหัจใกว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องรักต้องแข็งหนือนขันนักขันแพงเขาเห็ดยังไดเดี๋ยนี้เขาเห็ดเรื่องหัวเห็ดเรื่องหวเห็ดเือแสดงว่าขเขาเกี่งคนภักตะวันออกคนนรคุณ ค, ณคนคนไม่รู้จักขลุกนั่คือ ค, คนแล้คนเขาจะมือจริงว่าเฮ็ดไปตามอารมณ์ที่ชื่อมักั้งแต่เขาเห็ดต้ายกิน<ม>เล้า ผิดในกินเหล้าเหนือเป็นวายผิดโตสุลาเนี่ยเป็นวาเล่นการพ น, นันดูการเล่นเที่ยวกลางคืนสอบผู้หญิงผู้หญิงก็บสอบผู้สายผิษเนี่ยเป็นวายคนมาไวเนตในนังคือว่านักเลงผู้หญิงนักเลงสุลานักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงนี่กันโอ้หลายข้อหลักต้นนักขันสันติเป็นวาเขาเฮียนจะซื้อบวชเป็นเนนเป็นพระ เหียนแล้วซึกออกไปจบบกินเหล้าเล่นการพ น, นันโอ้หลายอย่างที่นี่เขาลักพระพุทธเจ้าบ่วบนบมณอันคุณค่าของพ้าเหลือมีมี ม, มากที่สุดแม่ เ, เป็นผู้ใหญ่บ้านํำนันก็ยกมือไหว้พ่อแม่เขา ก, ยกย็ยกมือไหว้นะยกมือไหว้พราเหลือมบอกว่าตั้งแต่พ่อแต่เมีได้เจ้าฟ้ามากระกาศ ส, สมมติเอาที่พือ้อย่าง เอ้ยสมมุติว่าในดวงกันได้ข <us> ้าเจ้าพิ่ดิงกัได้ไ <us saben Ninja ame anyway> ีมยกมือไว้นี่บมาว่าถ้าเหลืองคุณค่าของพระเหลืองจีนหนีมากคุณค่าของคอมพระเจ้าจีนหนีมาพ้าเหลืองซื้อนี่ข้าเจ้าบวได้ยกมือไว้ได้าเจได้ยืนตามถนนคนทางอยู่ตามตลาดนึงเจ็ดจีนขาเจ้าบวรูกคนไทยก็ะซ้างคนอย่างนั้นหายพระเหลืองแค่ขบวได้ยกเด็กขาเจ้ายกหมาให้คือพขมาแปะแต่คนอย่างนี้ขาเจ้ายกมือไว้เลย แล้วเขาได้ทำหน้าที่ของเขาทางด้นได้บ่ดีๆถ้าหากเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาทางด้านกับแสดงว่าเขาอย่างรู้จักคุณค่าของพระพุทเจ้าเขาต้องศึกษาเล่าเรียนให้รู้จักคุณค่าของพระพุทเจ้าจริงๆถ้าหากทุกคนรู้จักคุณค่าของพระพุทเจ้าคุณค่าของพ่อของแม่คุณค่าของเจ้าฟ้ามหากาพย์แล้วเป็นว่าเป็นเหมือนธรรมะของใจเป็นว่าถ้าหากเขามีธรรมะของใจแล้วนัอยู่ใส่ก็บบูเือดร้อน บวมมีความทุกความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นพอหัวูจากตัวเห่านี่เด้รู้วยจากคุณค่าของคนรู้จากคุณค่าของคมเป็นคนโูจากหน้าที่ของคนที่จะเอาไปปฏิบัติมันเองเพราะจะว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็นได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพระเลี่ยมคนก็นได้คนนี่แหละ ยังนั้นพระพุทธเจ้าเจอกลืนดนประเทศอินเดียปุณหเกิดกางดินเหมืนกันตายกลางดินตัดตรูเต้เป็นพระพุทธเจ้ากับกลางดินนี้เองเขาเข้าใจว่าไว้โบได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์สันฟ้านม่นั้นโะบได้ไปตายในสวรรค์สันฟ้าเี่อนั้นะนิพพานนั้นก็นบโได้อยู่สวรรค์สันฟ้าเมื่อนี้ยู่ในตัวเหานี้เองพ่อแม่เคยไว้ฝังรวมทุกขมสุขอยู่ใตัวเหวนี้เอง บุญบาปอยู่ในตัวเขาเองแต้หกบุหัวจักเพราะนวสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจของเขาหักบุหัวจักเมื่อหักบุกหัวจักเราจิตปฏิบัติถูกบุกทุกแล้วขอบุหัวจักเพื่นว่าโลกุตรนะโลกิยะเพื่นว่าสวรรค์นิพพานมันเป็นคำเดียวกันสวรรค์ก็คือคนสุกกายสุกใจอยู่ดีกินดีพยายามนี่ เป็นว่าสวัสด์แปลว่าสวัสด์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนรกก็คุคมทุกข์นั่นแล้วความเดือดร้อนความสับสนวุ่นวายคิดแล้วมีแต่ทุกข์เข้ามาทับถมจิตใจเขา อ, อยู่เนี่ยเป็นอนโล ก, ก น, นี่พานเหมือนนี่พานคือคุมเห็นแจ้งรู้จริงแก้ไขปัญหาตัวเองได้แก้การขัดแย้งในใจเขาดิจะเบื่งจิตเบื่อใจเขาดิเนี่ยมันเป็นนิพานอยู่ที่นี้ นิพพานก็คือว่มดับทุกข์ได้ผลว่ า, นานนคนรูาา้จังนะัน่นแหละมันจึงเป็นคนมันก็มาค้ามันก็ขาดทุนผลว่าคนมาเกิดเป็นคนนี่้ายๆคือเขามาค้ามาขายคนบางคนค้าขายเป็นได้กำไรคนบางคนค้าขายว่เป็นก็ขาดขุนเพราะนั่นเขจาจึงจ้างผู้มีสติมีปัญญามีกุมหื้ไปเป็นผู้จัดการบริษัทห้างร้านบริษัทห้างร้านบางคนก็ขาดทุนจัเยินไปเมื่ลมไป บริษัทห้างร้านบางคนก่อนได้กำไรไปเป็นอะไรแต่ว่าเขามาบวชนี่ให้รู้จักจริงๆถ้าเขารู้จักจริงๆเราลําบากหนยลำบากที่สุดเพราะว่าเขาที่เป็นคนนี้แล้วเป็นคนอกักตังนงูเขาที่รู้จักคุณค่าของคน<ม><ๆ>เขามาบวชเป็นเนตรเป็นพระเวลาโอกาสมันดีแล้วเขาศึกษาดีแล้วคือได้รู้จักปฏิบัติท่ารู้จัก โบเมซีมาบวชเรียนนักทำตีนักทำโทนนักทำเอกเรียนเป็นมโหมหาแล้วว่าจะรู้จักพุทธศาสนาบบเมซีเนี่ยเรียนไฟโลกเรียนปหนึ่งปสองปหกโมลื้อยังไงผมว่าเคยเข้าโรงเรียนผมรู้จักเรียนได้เป็นมัธยมหนึ่งมัธยมสองเจนได้เป็นมหาปริยาคุณล่ะปริญาตีปริญาโทปริยาเอกคุณล่ะ อันนั้นเรียนรู้ ซ, ซื้อได้เนี่ยก็ได้อมาใส่ได้เยบางคนเรียนมากเลยคิดบุญจักหยุดเป็นบาปเพาคิดกันเเนี่ยความคิดเนี่ยมันทั้งดีทั้งตัวจะว่าเขามาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติตัวเขาจริงๆต้องเอาไปใช้กับชีวิตของจริงๆอย่างญาติโยมก็คือกันมาปฏิบัติธรรมอย่าสุญัติหูนั้นหูนี้หู้แล้วก็รูาปฏิบัติมาที่มีประโยชน์นี่ หูเล้วบออกมาใสมันก็บ่มีประโยชน์เป็นอย่างนี้นบ่เป็นหูแล้วดีเลยหูแล้วบ่ปฏิบัตษ์บ่ได้ประโยชน์อยงได้ยินเนครูบาอาจารย์น้อยฟงังพระตุสราโพธิละเรียนรูพระไตรปิฎกแตกกซ่านในพระไตรปิฎกมีลูกสิบลูกหาเป็นร้อยเป็นพันปัแสดงธรรมที่ได้คนนกยองสนสั่งเหมืด ถ้าหากพระตุศาพโพติระนิวาสผิดก บ, บก้าขัดทางเพราะว่ายานขุมโมของเขาย่าอ ม, อมไปสอนลูกจิตลูกหาได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดากรณีเป็นพระสกีตาขาพระนาคะเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ตัวเองนั่นนะโบได้เปิดมีงั้นมีแต่หมเทสสอนไอ้ผู้ไปเทศใ่คนได้ยินฟื้นเสียงมากกว่าเขาลบนักถุมเมิ้ ว่าเป็นผู้รู้ผู้แต้งสา้ว่ามีผู้ใดที่ามารถโต้เถียงดใดในวัดเดิสมัยนั้นก็นวาให้ฟังบัด น, นี้ก็ได้ยินพระพุทธเจ้านี่ก็อยากไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าจะไปโต้เถียงพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยที่เปแสดงอิทธิปฏิหารคมรู้กับพระพุทธเจ้าคนนีไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่ะอกมาหลับตามธรรมดาแล้วก็กลา้า ตามปกติพระสงฆของรู้จักจา ก, กา้การู้จักไว้เนี่กา้ากล้าปรับปรับอยู่กเลยพระเจ้าก็เลยตทางมาแล้วนีืใไม่านเปล่าไม่รานบ่มีตัวหนังสือไม่รานเปล่าก็เลยคิดได้เอ๊ะทําใหม่เดี๋ยวมากล้ามาไว้ทำไ ม, ม, เ, มเออไม่รานเปล่าให้หลานอนก็เลยบม่ได้ไ่ได้หาพระเจ้าก็เลยว่ากันลมกันคุยกันสนทนากันไปเรื่อยๆไม่ได้สนทนาก น, นาเรื่องธรร ม, มะเลย เพราะว่าเลยเลยเลยว่ามีปัญญาที่ถามพระพุทธเจ้าเลยคิดไปไปเรื่องอื่นที่ถามเนี่ยตอนนี้คิดโบยบันนี้ถึงตอนเย็นแล้วก็เลยขี่ขับวัดตื่นกล้าถามพระพุทธเจ้าตื่กล้าขี่ขับวัดจะกลับเราด้วยกำีเปล่าด้วยเมื่อไปทําอิทธนาวาไปหลานเปล่าไม่ได้กลับขึ้นมาตัวอิ้นกำผีเปล่าออตื่นว่ามีตัวหนังสือว่ามีคุณคาไม่ยัง เรียนพระใจปิดดกเตืแตกสานจะวิ่งคุณค่ามี่ยอย่างนี่เป็นวันจึงว่าคุณค่าของคนเน้นว่ได้อยู่กับกงลูกลยอยู่กับการกระทำกุ้งก็เลยกลับขึนบนบ้นมากลับขึ้นมากะมาถาลูกทิศลูกหาอยากเรียงกรรมฐานอยากปฏิบัติกรรมฐานถ า, ถาไปเมื่อผู้เป็นพระลานจงนบ่สามารถที่จิสอดเมื่อไปพบออกกับเนื้อว่า ไ, ไม่เปพดหรอกรู้สิษย์ของท่านนั่นเองถามไปถามไปเนร สอนกรรมฐาอาจารย์ได้วหมสอนได้ครับถ้าอาจารย์จีเสื้อฝฟังควรผ ม, ผมลดมานะลดทิฏฐิขันท่าอาจารย์ลดมานะลดทิฏฐิผมสอนได้เอออาจารย์จี่ลดมานะลดทิฏฐิทั้งหมดแต่ว่าเน้นที่สอนให้อาจารย์ได้เฉยๆสอนได้เฉยๆแต่ผมว่าอันใดให้อาจารย์เสื้อฝฟังต้องปฏิบัติตามคำของผมได้ครับเออเอา้า เหน น, น, สสน้อยก็สอนให้เจ็บไ่ได้สอนในขนาดนั้นกนะ็งิีเป็นมือหน้ามือหลั ง, งบางทีอย่างที่สอนให้กรบบูกแจกอะไรตะเทียงอุบ า, าจการเป็นร้อยฟันพระตุสาโพติระนี่เขาเอิ้นเนาะพระโพธิระเบลานเป้าว่านันเป็นว่าโพธิระเบรานเป้าซือจริงใริ น, นะพระตุโตโพติระพระตุสโตหรือว่านี่คือว่าอย่างนเนี่ยโพติระ วันนี้ก็เลยไปหาเนรมือหน้าเนรกระบอกให้ขุมเสื้อกลุ่มผ้าใส่สังขารจวอนให้ครบสุดนั่นแหละไปไปหาเนรเนก็เลยบอกว่าเอาอาจารย์ลงไปบวกน้ํานี่คือคลายผืาย่าที่ของเขานี่นะ่ะติดอยู่ในน้ามันลงไปที่เป็นตุมเป็นเรงลงไปที่เป็นหยันหนาวเด็กกระโบวุ่นจับลงไปลงเพื่อลงไปลงไปก็ปปกเปียกแล้วที่โจนผ้าขึ้นหมดหมดต้ อ, อตงโจนคาบเอา กบโจรแหนะพอวันได้วอกกับเนนในวันจิตลดมานะลดทิทีเนนวอกได้เขาจิปฏิบัติตามคำเนนเขลงไปลงไปค้ำกับเปียกเปียกแล้วกับคอแล้วันเนนยัางโมโอลงไปเติมเหมือนลงไปเปียกขึ้นมาแล้วก็วายกลงแล้วะมันใจมันขัดอยู่เพียงระด้บหัวอยากลงองินเนนเขาบอกว่าลงไปลงไปจนน้ำท่วมยืนท่วมหัวคอมันเป็นเปียกมดเป็นตรงเป็นเปียกขึ้นมา พอแล้วเรื่องเนเนี่ยพอแล้วขึ้นมาคับอะไรเนนบอกให้ขึ้นมาเนยเนยบอกให้ขึ้นกระบอกขึ้นเนยขึ้นบอกขึ้นมาแล้วก็มาอ้าวเนนสอนเลยสอนกรรมฐานจีสอนผมหันกระบุขจักหรือว่าจีบอกให้กูบาอาจารย์ไปผัดเสื้อผัดผ้ามากระบุขจักเกี่ยงคนวาให้ฟังอาจีบอกไปผัดเสื้อผัดผ้าคนคนวายอนเปียกไปจีบอกอันสอนคือผมหรือว่าจีสอนคนท่านปัญญาจีสอนทันทีกระบุขจักแล้ว อบอกเป็นไหวกว่าแล้วเลยไปผัดเสื่อผัดผ้ากันว่าสมมุติไปผัดเือผัดผาแต่เปลี่ยนเสื่อผามากับมาเนี่เอาสอนเน้นหน่นี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์สมมุติจุ่มโผนจุ่มนึงมีหูอยู่5้หูแล้วก็มีเฮีย้ยอยู่ในจุมโผนนี้ตัหนึง่ง แล้วจะให้อาจารย์จับเหี้ยนีิจจจักได้โดยวิธีใดเพราะว่าเรียนรู้แตกศาสตร์หมดเลยเนี่ยหักมือหัวจับซื้อๆโอ้ยเนยนจิกยักให้ยั้งมาทีให้ใจไดครับอัดหูเนี่ยอุดหูเนแน่แตห้าหูตัวเหี้ยมันต้องออกมาหายใจทางนอกพี่คันห้ออัดหกหูแล้วมันจึออกมาบดได้มันออกมาบดได้หูออกาามาบดได้หมดก็บอกออกเลยอัดแต่ห้าหู แล้วกลมานั่งอยู่ปากหูขันเที่ยวค้อนตีอาบุริจะออกมาจับออกก็ได้แล้วก็นั่งอยู่ปากหูมันก็ออกมาขันที่อวค้อนตี่อคอนตีรถขันว่าคอนตีกระจับออโรถอันนี้ก็คือกันนะครับเราต้องไปว่ามาเนื่ออายตนะติดสองตาหูจมกูกเลี้ยกายรักษาใจที่เดียวใจมันคิดใจมันเป็นพวกคิดใจมันเป็นผู้รู้โอ้อยยันที่ไหนเลย วาตอนนั้ น, นื่นได้สําเร็จเป็นพระยบุขุลูเพราะอาจารย์แปะสารในปัญญานี่เป็นว่าอ่านฟังต้องฟังให้เต็มแล้วก็ น, นําไปปฏิบัติบไ ม, ม่ฟังแล้วเล่นเอาทิ้งไว้ซื่อในบุญแม่จริงๆว่าเขาต้องเลิกลาจากองค์ทำส่วทุกประเพณเมื่อเฮายัางบรเลิกราจากการทํำส่วทุกประเพณแล้วใครๆคือออกคิดเปิดประหังคิดใจนี่เดียวเอาคิดเป็ดประหลังคิดใจมานจะดีบ่ มันก็เหม่นเพิ่มเม่นอยู่ตนว่า้ทำดีแล้วทำซัวทำซัวแล้วทำดีทำดีทำซัวอยู่มันบุหี่ทำได้ดีอันเดียวคื้อเอาแตน้ำไป่ลางของตัวออกไปซื้อมันก็สะอาดขึ้นมาจิตใจเขาก็คึกครั้งเดี๋ยวนี้มันใจมันคิดไปลอยอันทังยางเขาบ่กเคยเห็นจิดถึงใจเ่ายักษ์แต่เหาอยักดีแต่ห่อเขาบอกว่าดีนั่นคือหนังเขาบอกว่จับอย่างนี้มันนั่งการทำวัด สวดมนตอนเศร้าตอนเย็นก็สุดกันเอามาพยายามอบรมกันทําคนเข้าใจกันในคืนนี้เด้อเี่มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจตอนเศา้าเมื่อไงก็เห็นว่าสมควร น, นี่ยเพราะว่าทุกคนต้องทําดีอย่าไปทำซั่วรู้จักเขารมนักถือพ่อแม่รู้จักเขารมนักถือครบบอูบาอาจา ร, จา ร, ารานนย์รู้จักเขรรมนักถือประเทศชาติบ้านเรู้จักเขรรมนักถือคุณค่าของประเเจ้า จึงจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระเยามุขุนได้คนหนึ่งเอาแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิใจมาในวันนี้ก็เห็นเป็ น, นเจ้าวิราชียแล้วท้ายที่สุดนี้พวกเราทุกคนมันนั่งอยู่ที่นี่ขออ้างอี่องค์ของพระเจ้าและขออ้างเอี่ยวค์ของพระธรรมและขออ้างอีงองค์ของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิใจของพวกเราให้พวกเราได้ประสบดีปฏิบัติต่อตามพระธรรมวินัย ให้คุณค่าของธรรมะเนี่ยคองใจของเราอยู่กําจัดทุกนี้ออกไปให้หมดอย่าให้ทุกเกิดขึ้นภายใน จ, ใจิตใจรูปร่างหน้าตาแข้งขามือเท้านี่โบ้สวยโบ้าง า, ก า, ามกับสามตาให้จิตใจมันสวยมันงามให้จิตใจมันดีให้จะตใจคนนี่แข้งขาน้าตามือเท้าสวยงามจิตใจเน่าเหม็นเปียบเป๋จะเป็นว่ายิ่งลายไปก็ของมันจะลากขึ้นมาเป็นขยของคนขอให้ทุกคนทุกคนจะประสบพบเห็นเอาจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจห้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเอาในชีวิตนี้จงทุกทุกคนฟังแล้วมันจดจำได้ทำวัดเย็นก็ทาสั้นๆเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเล่าหรือมาเวาธรรมะ ให้พวกเราฟังธรรมะนั้นนะ่ะบางคนบอกเข้าใจบางคนก็เข้าใจเพราะระบบศึกษาตัวเราระบ้จักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราควบคุมตัวเราเลยควบคุมที่ไหนควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตใจปฏิบัติธรรมะต้องให้รู้จักกาย รู้จักวาจารู้จักจิตใจไปหมดแต่การควบคุมนั่นคือควบคุมร่างกา ย, ยาลูกเจ็บหัวปวดท้องเพรืะว่าโรคทางเงนื้อหนังเนี่เขาจะควบคุมมันได้ยากหรือว่าอาจบรัดก็ได้มันต้องอาศัยหมอเรื่องเรื่องจิตใจนี่มันเป็นเรื่องงควบคุมจิตใจมันควบคุมได้เนีอยร่างกายนี่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันถิว ว่าไม่ใจหิวใจหิวกับร่างกายหิวมันคนละเรื่องกันร่างกายหิวจะอ้อนเพียไปใจหิวจรงมันมันอีกเรื่องหนึงใจหิวคือใจมันยากใจมันยากมันอยากกินอานที่ใจมันหิวเมื่อใจมันหิวนั่นเขาจิตมันรู้จักเขาจะไปตามพาเดินไปเดี๋วควบคมไ่ได้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้มันรู้จัก ถ้าหากเขาควบคุมจิตใจเขาบไดายเขาจะว้าไปสะเทเฮละไปทำไปทุกทิ่งทุกอย่างไปนั่นแหละเขาเย่าบ้าควบคุมบไดาเขายอมบ้าเพราะใจมันทำไปเลยใจมันคิดไปดลยอันนั้นมันเพ็นภาวะบุรุ้จักการควบคุมตัวเองบุรู้จักการควบคุมจิตใจตัวเองร่างกายเนี่ยควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากไปฆ่าไปซบุบไปต้อยไปตี มันอยากเว้าวสังใดสิ่งที่บควนว่าเนี่ยมันว่ามันต้องควบคุมได้อันนั้นคืว่ามันอ้อนมันเพียมันหิวน้ําหิวข้าวปวดอุจจาระปัจสาวัเนี่ควบคุมบัได้อมันต้องปล่อยไปตามนาทีก้ามันหิวต้องหาให้มันกินได้ทั้งนัถ้ามันปวดท้องอุจจาระเนี่ต้องไปบวชไปมัได้อันนี้เขาอควบคุมมัได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหัวปวดท้องน่ะอันนี้ก็าควบคุมมัวได้เขาคันท้าโบมินเอายามาให้ล่ะ ตายาหมอหมอต้องมีความรู้ถ้าหมอโบดีกับโบว่หายถ้าหมอดีหายผมนี่หมอหุจักผมเป็นโรคอันนี้ควบคุมโบได้เพราะว่าใจหมอผมไปหาหมอเขาตรวจเซจร่างกายในบางคนเขาก็บอกให้ซึบซึบสลุกอไปอยู่กับลูกกับหลานสดีกว่าเท่าแล้วนี่เขาว่าหมอบอกอท่านนะแสดงว่าหมอกขาบหุหุจักัก ถ้าหากมองเข้าจากเขาจะเป็นโลกอันนั้นเนยเต้องให้ยาทันทีเพราะฉนัผมเนี่ยปล่อยไปให้จนมันเป็นโลกที่แรกมันอาจจะเป็นโลกกับเพาะหรือเป็นโรกอย่างนี้ไม่รู้จักพอเราไม่รู้จักจนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะคุณเป็นลมไปยู่สิงะโปร์ครับแต่บ้านเขานี่ยก็พวกผมกับโบได้หลายเพือนอยู่ครับไปสึงกระโปร์ในการทุตรีมูจนันไทยวัดจนันงรุ๊บ ผมนั่งกินอย่างบมได้เลยนอนโซมันเลยอาเจียนจิ้ม น, น้ำแล้วอาเจียนออกอมัดบ่ ม, มีอย่างสีตานหานมันแล้วพวกกุ่มโมได้ครับจําเป็นต้องหมอะพวกกลุมมันได้ผมร้อนถูกห้ามย้ำมากิด ก, กินโมได้เป็นอยไรครับหิวก็กิกนโมได้จนเท่าหมาะเขาให้ยากินจนถ้าตัดที่เราเลย ไ, ไม่เป็นครับ น, นี่วราให้เขาจาศึกษาที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเรา อันคว่ำเจ็บคุ้มปมันเป็นธรรมดาเขาก็ต้องรู้จักซิ่งที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขซึ่งที่บ้แก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาต่อมาผมมาผ่าตัดหุดในครั้งที่สามนี่แหละครับอันนี้ก็อาการนะักครั้งแรกเนี่ยโม่คุณสมบุญโมู่หลายคนแล้วเวลานั่งกิ้งเขา้าคนเดียวโบ้ได้เนี่ยควบคุมโบ้ได้ไม่กันเลต้องมีคนตีอยู่เรื่อยลูปอยู่ด้วยจิ้เข้ามันเป็นลม มันจกินโบได้มันแคลนเข้าเนี่ยเรนะีย ว, ว่าแคลนเข้าบ้านผมกืนบหลงหลงมันดันขึ้นมากินมันบนเต็ยต้องมีคนหลักษาต้องมีสองคนตีทั้งหน้าทั้งหลังเป็นประการอยู่วัสนารรมนายคุณสมบูรณ์เนี่ยพยายามทํานี่แสดงว่าพวบคุมโบไดร่างกายเลยนป็นนะ ต, ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยอาหารอาศัยกานกินนี เรื่องจิตใจมันคิดฟุ้งซ่านลำคาเนี่ยเราควบคุมได้เรื่องจิตใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องร่างกายเป็นอีกเรื่องนึ ง, งนต่อมาเ ม, ามือ่อไม่กี่วันนี้เพิ่มให้แม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเมือ่อนึงผมแม่ลัดเีลาจะเอาเข้าอันข้าหนุ่มเนี่ยของอแม่ข้าหนุ่มเ น, บบนนเนี่ยข้าหนุ่มปงกับออมันงกินมาถึงแน่นหน้าอกเลย กินแล้วก็อยุบโมได้เลยวันนี้ร้อนขึ้นมาแน่ขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้แบบ น, นี้พวกคุมบมได้อะไรก็เลยมาหาออกมานี่เห็นคนการให้มนันการไปซื้อเอาเตปซี่มากับน้ําแข็มากินกินเตปซี่กับน้ำแข็งมาเป็นนระบายคนน่งแก้ไขต้องหาวิธีแก้ไขแต่เรื่องจิตใจนะเราจะไปเดือดร้อนมันคิดมันทุกข์ได้นจนกเ่าหัวาจมันทุกข์ไป มันเจ็บได้ก็เพราะจังเจ็บแผลนะพ่้องคนะวบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกายต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก่แต่การศึกษาการปฏิบัติต้องฝึกหัดไว้แต่ต้นมือท้าบบฝึกใครต้นต้นมือคนที่ตายเลยพีเนีองแม่ผู้จากเทศจากแดนบางคนนะ่ะลองหม่มลองให้ดิน้นลนอันนั้นควบคุมได้ได้จิตใจควบคุมจิตใจได้แต่มัน ใจมันเลมันเจ็บมันเป็นร่างกายแล้มันจิตตายมันบุคคลมืองรกล่างกายมันบุคคลมือตายแล้วก็บบุคคลเมืองหรอกแต่ว่าในขณะนี่เราต้องควบคุมต้องช่วยมันกักคนเราพอช่วยได้ต้องช่วยให้เขาจังใจดังนั้นจึงว่าตั้งใจปฏิบัติทำมาถ้าหากเขาจิบอตั้งใจปฏิบัติจริงจริงมันบุรูษเด้เหมือนเพียงแต่ว่ารู้แล้วซื้อนี่ได้มันบุรูษเด้เนี่ยจึงว่าเบิ่งเนี่ยนักศึกษานักเรียน เรียนมาคิดมากควบคุมโมได้เนี่ยผมคิดนะเป็นบ้าก็มีเรื่อเป็นบ้านีเพราะควบคุมจิตใจบมได้เป็นโมไม่ควบคุมร่างกายแต่วควบคุมจิตใจจิตใ จ, จมันฟุ้งซ่านก็เลยไปนี่นผมคิดร่างกายอ้นนวนคนสมบูรณ์เจ็บโมเป็นยี่ยัางกระจ้าก็เลย ค, คุ ม, มโมได้เนี่ยเป็นว่าคนมารู้จักวิธีควบคุมในเรองการฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังโมนี่คือฟัง มอลำนนตีได้ฟังอย่าพอวานฟังแล้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองคุนเนยผมจะฟังแล้เอาทิ้งไปทีนี้โบแม่ฟังแล้วบอก็ต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองแล้วบอกว่ายายเฮ็ดโบเฮ็ดมันจะแก้ไขได้บอกว่ายาเฮ็ดยังเฮ็ดยุ่มันก็แก้ไขโบได้แล้วเียแก้ไขโบได้ฟังซื้อเนี่ยคนจะดีจะสว่วนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมตาเห็นหูได้ยินได้ฟังกันไว ตายเห็นเป็นยังใงตายเห็นคนทําดีก็มีคำชั่วกะนี้พููฟังมาเนี่ยคนพูดดีก็มีพูดชั่วกะนี้กันตัวให้เราศึกษาลงไปคิดใจการเคลื่อนการไหลของรู ก, กายไายนอนให้เรารู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหลของรู ก, กายไายนอนจิตใจมันคิดอเรื่องจิตใจคิดกับเรื่องร่างกายนี่มันคนละเรื่องกันให้รู้จักกันเพชนอยู่เนี่ย ผมนี่เห็นด้วยตาผมหลายคนนล้วผมประสบมาบางคนเรียนจบ ป, ปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกมัก็มีควบคุมโบได้เป็นหมอที่แท้กับควบคุมโบได้ก็มีนะบางคนคิดคิดคิดคิ ด, คดสับส น, นวุ่นวายแล้วคิดแล้วก็เลยเอาเลยหมดเลยเกิดมีการขัดแย้งในตัวเนาคิดดีป๊อสโบดีเฮ็ดโบดีบ๊ดีบ๊อสนี่มันเป็นอะไรอยู่บ่สาเนี่ยเจ้าอาวาเราบ่มี กำลังใจหรือว่าบูรู้จักจิตใจตัวเองในวัาที่ไปเป็นอะไรเนี่ ย, ยว่ามาที่นี่ที่เรามาฝึกขัดอันนี้ท่าคือกันโยมคือกันต้องปฏิบัติเปรเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจของคุณนะี่ยใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คานให้รู้จักใจมันขยันขันแข็งให้รู้จักใจมันยู้ซื่อให้ไม่รู้จัก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 บ่มาแก้ตัวเองจากเธอฝึกหัดไว้พวกเขาอยากเป็นนะครับคนน่ะต้องรู้จักนี่คมก็คือการแต่ก่อนบ่มวิจาร์เฮ็ดกัเฮ็ดว่าใจมันดีอยู่เรื่อยเฮ็ดอย่างว่าใจดีอยู่เรื่อยมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอมันบ่มวิจักบ่มเห็นจิตใจมันโลภมันโกธมันบ่เห็นมันเข้าข้างตัวอยู่เลยเฮ็ดนึกว่าดีละเฮ็ดแล้วดีละสมันคิดว่าใจดีอยู่เรื่อย ส่วนในบเหิตบเห็นจะใจเห็นสัวเราคิดว่าจะดีก็ซื้อคนโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกนั้างเป็นนำทานมันต้องเหลี่ยวหน้าเลี่ยวหลังเลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวาเลียวเบื้องตัวเองบ้างเลียวหน้ากับคเบิ้งให้วะเลียวไปแตข้างหน้าเราจีเห็ดไม่ีดีบอดีบ่สเลียวไปข้างหลังมันเนี่ยเราเห็ดอะไดมาแล้วมันดีบอมันสั่วบอเจ้าของต้องหุจางมัเลี่ยวหน้าเหลียวหลัง เลียวข้างซ้ายข้างหัวเนียเลียวเบื้องมู่เบื้องเพื่อนมู่เพื่อนเฮ็ดยังไงเขาดีหรือเขาบ่นีเขาเฮ็ดจังเป็นว่าเลียบเบิ้งตัวเองบ่เนี่ยกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่เป็นว่าให้ควบคุมตัวมันได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าหาว่ามันเลี้ยนโลนเื่อนไปควบคุมมันได้ใจมันคิดขึ้นมาบ่เนี่ยควบคุมมันได้เป็นขวาดีแล้วการศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญศึกษาหลบให้ที่ตรงนี้นะ บุพเพทีมาซอยบุพเพเทวดามาซอยคนทุกเพราะยังทุกพราอรู้จักติดรู้จักใส่รู้จักหารู้จักเก็บเห็นว่าคนดีเพราะหยังะมีเงินมีทองเพราะรู้จักหารู้จักใส่รู้จักเก็บเห็นว่ารู้จักแทนบุพเนเจว่ารู้จักเลาว่าก็คือได้ผมเนี่ยเคยติดบุรีสูบบุรีมาสูบมาตั้งแต่น้อยคนนี้พ่อแม่ฝึกหัด พ่อแม่ถือว่าบุหัสฮักลูกโดยใส่โบเป็ดเอาโบลี่ให้ลูกไปใส่ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องซูบอันนี้แสดงว่าใส่ลูกบ่กเขาเรื่องใส่ลูกโบเป็ดเป็นอยัางไรก็เลยสูบยาสูบแล้วโบออกเป็นได้เป็เช่นเท้าไปปฏิบัติธรรมะทีเด้วผมอายุ46ปีบุหอส46ปีนี้ผมเพราะผมเกิดเดือนสิบ ตีกุลเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมะผมหูจกักเดือน 8, แปดดืเก้าเดือนสิบเพราะเดือนสิบไปอย่างทีง 4, 4, 6, 4. ่เขาสี่หกปีแค่ผมยู่ปฏิบัติตัวของผมอยู่เจ 8, 8, 8. นฮอดเดือนสิบเอ็ดเพ่งอย่างนี้นออกพรรษาผมไปปฏิบัติธรรมะพรรษาหนึงผมรู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดรับหูจักแล้วผมเลิกไหนค่วมซัวทุกประเทศผมเลิกไหนครับ ซูบบุลี่ผมเลิกได้ไปดูการเล่นเล่นการพ น, นันฟังด น, นตรีฟังขับลํำพำเพลงผมเลิกได้เมดไหวพี่ไหวเทวดาผมเลิกได้เมดทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอย่างที่ว่าเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนำป่าตักเตือนกันเจว่าฝึกขัดให้มันรู้ดีๆให้พี่มาควบคุมเขาบางที ม, มาควบคุมยังไดงของพี่มันก็ไม่มีเด้ แจ้งเทวดามาควบคุมเขาเทวดาที่ไดนเมือนกูมีพี่คือคนทําสัวพูดสัวหน้าลื่นหน้าด้านนั่นแหละเคยได้ยินบ่าว่าบักผีก็เป็นว่ายากเนอะเคยได้ยินบ่าว่าผนี่เคยได้ยินบ้าไม่ยินวะเออเนี่ยเคยได้ยินบัดเนนได้บัดเนี่ยพระได้เนี่ยนีพระผมมีเนี่ยนี่เป็นบารย่างคือผีนั่นเี่มันต้องคือซื่อๆนี่เด้่ยบ่เห็นจิตเห็นใจเพได้ในบ่เป็นร่างกายเป็นนี่เป็นผีใจมัไนี่เป็นผีเี่ย ไม่เป็นอะไรท่านนี้เกิดวายาบักผีบรรเนียเนี่ยอีพีบัรเนียเนี่ยพระผี่เด่นผีจะเนี่ยเหมือนวายาคนว้ายาเนี่ยของเราเกิดผีผีหงุ่งผีฮาผียังชนะครับมันเป็นอะไรเทวดาเป็นคนเว้าดีเว้าง่ายสอดง่ายเว่าง่ายคือเทวดาเนาะแม่ขวายเทวดาก็ะ่บมีตนว่รมีตัวอย่างโตคนเว่าง่ายขึ้นเว้าง่ายเข้าใจง่ายพุ่น พญาวันหินิี้ขมละอายแก่ใจละอายใจพุนิเห็นใจพุนิโอตปะความเกงรงกลัวตบอบาปบาปคือมันมืดเหมือนบุหุจักจิตบุหุจักใจพระญาว่าซอดให้เบิ่งจิตเบิบ่งใจอันเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีคิดดีเมืองสวรรค์มันเนี่ยก็คือยุ่นดีกิน ด, ดีอารมณ์ดีบุทุกบมญญาบุเดือร้อนปั่นไหนคนเอิเมืองสวรรค์นันอ น, น, น, น, น, นิพพานคือความโศกสลดโม้ว น, นไหวบมเดือดร้อนเป็นวายจากจเอิญนิพพานคือมันบ่มันรบ ก, กวนเขาเขาเห็นรู้เท่ารู้ทันโูถถ้ถึงเหตุการณ์ของมันเป็นเอิญนิพพานเป็นเอิญโล ก, กิยธรรมโลกุตตรธรรมโล ก, กิยธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกไม่วางโลกใดเขาเอิญโล ก, กิยธรรมนันผู้ห่างไกลครับผู้ยังยุกไกลไกลจากนิพพาน เ้ืหากทีไปในพานนะสมมุติเขาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาจีไปกรุงเทพสมมุติกรุงเทพเป็นนิพานบ้านเขาเนี่เป็นโล ก, กียะรับเขานะเมว่าจีไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอดขอนแกนะ่ะไปฮอทคอนไปลงลดลงอย่างเลนะเน่ะตอนโบตอนนี่ยไปโบหอดพล้วตายข้างทางนั้นเพราะเอิญโล ก, กียะเพราะโล ก, กียะบัดนี้พุทตั้งใจไปเนี่ยไปฮอดกรุงเทพบริแทนะไปเบิง้ง สนามหลวงไปเบิ้งทุกออกทุกซอยทุกมุมโอ้หลักษณะของคนกรุงเทพการทรรมาหากินเป็นอย่างนี้เน่อยพู้จักอนันนั้นพระเอื้อลกอุตตรธรรมพระเจ้าวนิพพานเหมือนพอเขาไปพู้จักนินคนทุกคนต้องตายนี่พอไว้ฟังยกเว้นบ่ได้นี่พระเอื้องสัจจะทำอะไรตายแต่เท่ดีนะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวจวดตายเมื่อทุกคน ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยที่อย่าพอวานคนไทยกระตายเป็นคนจีกนกระตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมลคนญวนคนลาวตายเป็นมืดในพระเอินสัจจะทำสัจจะเรียกของจริงเปลี่ยนแปลงหมได้เป็นวันวันสั้นแต่เขาที่เปรู้จักสัจจะย่างที่โบ<ม>ได้ไปบบไปผิดสัจโบได้ทำโบทําผิดอันนั้นจริงอยู่เขาบอกเอิญโลกีญะทำอันนี้ คำว่าสัจจะเนี่ยหมายถึงความตายอยู่เนี่เขาศึกษาให้หัวใจคนตายอยู่เนี่ยที่ตายด้วยความทุกข์เนี่ยที่ตายด้วยความบอีทุกคันตายด้วยความทุกข์เพราะเหนื่โลกีญธรรมตายด้วยความบีทิุกเพเนื่อยโลกุตรธรรมตายด้วยความทุกข์นัคนะว่าตายโดยมือบ่มีสติโดยรู้สึกตัวตายด้วยบนบุีุกนั้นเพราะว่าตายโดยมีสติตายโดยรู้สึกตัวคนว่าเนี่ยคือว่าให้ศึกษาให้ปฏิบัติคนว่ามีเงินลอยรางกระตาย บ้มีเงินกระตายบนี้เรียนหนังสือจบปริญญาเอกกระตายบ้ได้เรียนหนังสือกระตายบวชกระตายเรียนหนังสือทางธรรมะจบประโยคเก้ากระตายบ้ได้เรียนหนังสือกระตายเจว่าควอมตายเจวะแม่นอนที่สุดเขาจิสร้างควอมดีหรือจิตสร้างขมสัวบนี้มันมี่สองอย่างเท่านั้นเองจิตสร้างขมสัวเรื่อยเก็เห็ดสัวลงไปแล้วเห็ดขมสัวไอ้จี้เห็ดใเหาสร้างควอมดีแล้วก็เลิกขมสัวแล้ว เ ล, เล again, ิกขมขั่วแล้วขมขั่วกระหนี有好有好่หมดที่ซื้อเนี่ยคืออย่างผมหวานีเนี่ยอย่างอยางพอวานอย่าพอเลิกสูบยาต้องเล้วซื้อๆี่นะมันไม่มาลกกวนที่อย่างผมขั่วอนี้เลิกไปเล่นเบี้ยเล่นไพเบิ้งขเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไพเบิ้งมาหัวเราศพครบงานดูหนังนีงก็ล้วซื้อๆี่นะมันบ่เห็นอย่างให้เ่าว่าวโม่แบบนี้อันใจมันคิดอยากไปนั่นเดี๋ยวให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักค่ามันได้มีคนว่า ใจมันอยักเหตุหักข้ามบัวใดเนี่ยเป็นว่าดูจิตดูใจบัวมีที่ดูซื่อๆนี่เลยอันนี้เจ้าของดูซื่อๆมาอยากตายกับตายแต่ว่าหู้จักใจด้วยบัแมนได้ควบคุมบัได้ได้ควบคุมกายบัได้ควบคุมจิตใจบัได้ดังนั้นจีว่าให้เข้าใจตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติถ้าบัตั้งอกตั้งใจัฝึกปฏิบัติแล้วบัได้เลยนี่แหละจัดจ่ายไปเท่าเลยพระพูริเจ้าทุกพระองค์และพระสาวกทุกพระองค์ ต้องรู้จักวิธีตายแล้วเฮานี่ทุกคนรู้จักมั้ถ้าสุดหัดมันเพราะนี่บาคนคนตายอ ย, า อ, าอย่างพอเข้าใจกันอย่างพออายุที่สิบหกปีกําลังยางไปยางมาตอนเฝ้าให้มันตายสักก้นนี้นี่ยรู้จักไหมความตายนี่มันบไม่ตายเลยมันหมดซื่ อ, อเลยหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยางมัดทุกอย่างที่บอกคือตาย สมมุติเอาให้ฟังหมีพาของบาทแขนของบาทห น, ะนึ่งตัดพวกงมืเสียเลือดมันจะมารวมตัวออกปากบาดนี้บาด น, นี้พอดีของหู้จักรตัดปุ๊บลงไปนี่มียาถึงเจอใช่ไหมเลือดมันจะมารวมาปากบาดมันก็กลับคืนไปแล้วคุณเอาคุณทางพี่มีกลับคืนเนื้อของทางพี่เลือดนีกลับคืนของพีนี่ปากบาดมันกิบออกออกนี้มันจะเป็นอยางนั้นไหมของที่ตายนี่ญาพ่อเคยว่าให้ฟัง เอามือไปแตะก้นผู้น้อยมันขาวพราะดีเขาเอามือมันออกเอามือออกแล้วมันแดงก้นผู้น้อยมันแดงแข้งขามันแดงเขามือกดเขาเป็นขาวมันคิดเป็นอะไรกันคิดเป็นนะั้นมันทุกคนนี่นะที่ประสบอันนี้ทุกคนนี่นะบ่นยกเว้นทั้งหมดเหมือเดียวยหูกระตายบูหู้กระตายหูก็เป็นบูหูก็เป็นที่วันศึกษารูร้ จ, จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอืถ้าหาบู้จักจุดนี้แล้วโอยกรบโบไซคนแล้ว บ่แม่งคนนันคนอ ย, นอยู่หน้าตาแทงขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดน้ำคนได้เป็นลูกคนเงี้ยคันถ้าคนก็ต้องเลือกคัดจัดหาเอาได้เหนเลือกเขาอันใดเหมาะสมกับเขาอันใดบ่เหมาะสมกับบ่เอาเป็นว่าจยางนั้นจังหวาให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยเมื่อนึกไปสิบสองชั่วโมงนึงบบเนี้ยเขามีเรียกยังไงเขามาบวชเนี่ยเขามีเรียกยังไงมาปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติ การงานสิ่งที่มันมีไปเฮ็ดนี่ยเขจ้จนกคับอันนี้โบเฮ็ดยังปฏิบัตรกริกขบโบเอาการงานเขาเอาก็เสษียรหลักแล้วเนี่เขาโบเู้จักบุญคุณของเขาที่มาเกิดเป็นคนนี่แล้วเนี่ยมาเกิดเป็นคนนี่ยากนี่ยโบย า, ากเสีได้เขาเบื้งแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทอแม่มาแล้วตั้งทอขึ้นมาแท่งออกมาเป็นเพราะเหตุใดเกิดเป็นคนเนี่ยผู้หัดตายเบางคนเกิดออกมาได้เดือนนู้นตายกับนี้ให้บางคน บางคนเกิดมาเป็นนุมเป็นสาวตายกม็มีบุทรันได้เข้าวัดสังธรรมบุตรนู้จักมียังอันนี้แหละพนว่าเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเมงไปตายกม็มีบุญหัจักผิดถุกข์มยังเนี่ยพนว่ดงานไปเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลี่ยวใส่เหลี่ยวขัวเขามีสิริอยู่เนีย่ยหิดเห็ดหิดถัง ม, มาทําวัดเศราวัดเยน็นทํากันในน้อยอบรมกันให้มันดีให้ตื้นเดึกลุกเศร้าไหวพาสุดบุญพอเมอรสอนอันนี้เขาทาเฮ็ุ มันก็โมเป็นนิสัยทางที่ดีแล้วบังขี้คานเขาบอยักเฮ็ดแล้วบ่เนี้ย่ยวันว่าอันนี้อยี่าพอไปเทศที่พะเยาเหมอะถ้าเทศให้ฟังในเทศขเข้าเจ้าซอยคนที่ค้านมันโมฮอนดีอย่ทนเป็นคนอับปีทุกโจ น, นหุนไฮ้กันคานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนคนยากเป็นคนทุกคนยากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสุขเข้าสากเด็ไปไส้วัดวาอารามเลี้ยบง่าเป็นห้าเป็นห า, นห า, นหามห้ามเมื่อแล้ง คนน่งคอยจุกพาเพิ่มแล้วเนี่ยยกผักเข้าออกมาเนี่ยฟ้าฟูฟ้วฟังยัดแต่โบได้หลายเยคือคนที่ตายเนี่ยและเนี่ยคุณพ่อข้าเจ้าพระองค์มาไว้อยพอฟังอย่างคนยาจังอะไรเนี่ยคานบดีเนีคนในข้าเจ้ามีกินมีใช้ขาเจ้าบุคานเนี่ยต้นเนี่ยกูกต้นไม้ต้นตอกคนมันออกมาได้กินอยู่ใส่ปัดกวดบวกเกี้ยงเตนแล้วก็หาเงินหาของให้น่ย กบฏจนแล้วผู ili, ้ห <c oughs> <ante> ันรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใส่เลยเปนบัดนี้คนบุรู้จักหาบุรู้จักเก็บบุรู้จักใส่บุ้่าีรู้จักแท้หาจะซื้อใคบุนรู้จักเก็บกับบได้อีกสิมีคนมาว่าให้ยังพ่อฝังไม่เหตุการณ์จริดีน่ลูกหลานนี่นะยังพ่อวัดดีได้เหตุการโอ้ยดีเดอครับบุ้นดีเลยพราโบเก็บเัยแต่แกไปเห็นรถให้ยังมันเทียทุกครั้งเาเอ้าคนบุ้รู้จักเก็บมันก็จะได้บ่นั้น่ะมันก็บุดีแล้วต้องรู้จักเก็บรูู้้จจัักกหาร พวกเขาให้หูจักเด็กเล็กแต่น้อยมาอยู่นี่คือกัรต้องทําวัดเสาวัดเด่นยาคานสุกหัดตัวเขาเ้างที่เป็นคนดีความดีของเขาในประโยชน์ใสของยิบุมีการขัดแย้งกับมู่กับเพื่อนมันขัดแย้งตัวเขาไ ป, ไปที่ขีคานไปทําวัดขี่คานไปให้มันม้เหตุกูขัดแย้งเพรใจพวกนี้มาขัดแย้งมันเป็นรูปของนี้เนี่ใจพวกนี้มันเต็ดบันนี้เขาไปยุติใสกับผู้หันขี้เห็ดโมดีผู้นี้ขี้โมดีมันจีขัดแย้งตัวมูค่คนนี้ เขาที่เฮ็ดดีบัวได้เขาที่เสียสละบัได้ได้เป็นพญาวาเสียสละให้โมโซักเขามาเฮ็ดจะดีหรือซึ่งเนี่ยคนท่านนั้นมันอยากดีมันก็นดีเนี่คเขาเป็นผู้ยังมีกระสร้างมันแล้วเป็นอย่างสั้นนี้พยา ว, ว่าฝึกขัดการทำวัดจดนบนุญเป็นหน้าที่มาอยู่ที่นี่ทุกค น, นยจะถวายเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทำมันหน้าที่ทุกคนเนี่ยเงินพระส่งอง์เจ้ากับหน้าที่เป็นการฝึกขัดเนี่ยฝึก ข, ขัดก็าที่เป็นนิสัยญาพอนี่ เคยเป็นนิสัยที่เป็นหนิครูบาเขี่ยนตีให้นุกเด็กนอนก็นอนหลังครูบาอาจารย์ได้อย่างพอบบเห้เธอได้อย่างถึงเวลานนต้องนอนแต่ต้องตื่นถึงเวลาหน้ามจิตตื่นพอดีคนกรุงเทพพวกก็คือคนบ้านเฮานี่ยขาเจ้าหกทุมนี้ไม่ได้นอนตีสอบอย่างนอนไปตื่นเอาพดหกโมงหรือโมงเตาเจ็ดโมงเ้าขาเจ้ารีบไปทํางานไปเขาจีเอาแบบนั้นมาโบได้บ้านของโบได้ เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงจริงถึงจะพอวานตื่นเด็กหุกเราเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนสอบไล่ได้มีประวัติให้มันดีถ้าเรียนโบดีประวัติบดีแบบไปสมัครก็เขาบอกใ้อ่อนอย่ยพ่อถามมันได้สมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ยที่เอาสิบคนเนี่ยไปเต้นพันๆคอย่าพ่อถามข้าเจ้าอย่าพ่อไปเทศโรงพยาบาลอัเภพุทธบาทเขาเอาคนร้อยกว่าคนสมัครเป็นมื่นคุณน่นะ นี่ยีเ่เป็นหวังตั้งแต่เป็นเจ้าเป็นนายจีงเงินเดือนหมดต้องทำการทำงานนั่นไหมสมรรัค ร, รบรรัได้กับบได้แหล่ก้อนเขาที่เอานั้นเขาต้องซื้อประวัติประวัติเบื้องหลังดีตั้งใดซึ่งเนี่ยเขาจะจีบเขจักที่อย่างพอมาลองให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบคุมตัวเขาขัก ข, ข, ข, ข้ามตัวให้มันได้ถ้าเขาขัดข้ามตัวเขาบัวได้ก็เต็มทีได้เกิดเป็นคนเสี่ยข่มเป็นคนเล็กที่หลวพอได้ให้ข้ขอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะจิตใจมานี่ก็ เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้พระสนและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้ด้วยเดียวนี้นี่แหละอาตมาขออ้างอีงอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั้งสอนขององค์สมเด็จพระตถาคตเจ้าและคุณของพระนาตาวการพระตถาคตสมเด็จ ม, มาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพเจ้าสอนเอาไว้นั้นว่ากัพทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตรถาคตนี้อันคือตถาคตก็คืออย่างคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไว จิตใจเขาเนี่ยสามารถว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเมื่เป็นโตแข้งโตขาโตเนื้อโตหนังเป็นโตจิตใจมันเป็นโตสามารถผู้จักนั่นมันเป็นเพราะนั่นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวตัดสิ้นลงไปแล้วโบผาดเพคนเอ้าว่าจิตใจเห็นแจ๊จิตใจรู้จริงคนน่ะ วิปัสนาจิว ต, ต ว, ว่ า, เา ง, งเก้าลวงผ่าว่าเดิมเหมืนเดิมตั้งเก้าแทวๆลองเทสเบอร์มันที่เป็นใอยถบนี่พ่อหูจักอันนี้แหละจึงว่านํามาบอกมาสอนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่คนประจากห่มวมทุกอันนี้เกิดมาชาติหนึ่งก็ตายชนิดเกิดมาสองชาติตายสองเดือเกิดมาสิบชาติตายสิบเถือดอันนี้แปลว่าเหตุผเป็นทุกคนเกิดมาแล้วว่าบุอยากตายมันที่ทนได้บอกบุตาย นี่เป็นวันเห็นพิษเนี่ยเกิดมาต้องตายพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกให้เราอย่กเกิดนะเพรัะเราเห็นพิษเห็นภัยตัวมาเกิดพวกนี้ตัวจิตใจพวกน้คุมมันได้ในเรื่องอย่างภาวานี่นะคุมบ่ามันมาเกิดพวกนี้นี่แหละขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้นึกเวลาอะไรนี้จงทุกทุกคนเธอ